วิธีที่เราจะไม่พลัดเข้าไปในความทุกข์ไม่พลัดเข้าไปในความโกรธไม่พลัดเข้าไปในความหลงหรือว่าในความฟุง้งซ่านทำอย่างนี้ได้ก็เพราะสะติจําได้จําได้ว่านี่นี่ตัวโกรธนะนี่ตัวหลงนะนี่ตัวฟุ้งซ่านนะถ้าจําไม่ได้เนี่ยก็หลงทุกครั้งโกรธทุกครั้งก็เผลอโกรธเผลอหลงทุกครั้งนะ แล้วเราก็เลยเป็นทุกข์เสเองวิธีการเจริญสติเนี่ยก็คือวิธีการที่ทำให้สติมันจดจำได้ก็คือต้องเห็นความโกรธบ่ อ, บบอยๆต้องเห็นความโมโหโ บ, บ่อยๆเห็นความฟุ้งซ่าน บ, บ่อยๆเมื่อเห็น บ, บ่อยๆก็จาได้ อันนี้ต่างจากภูมิคุ้มกันในร่างกายภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยมันเจอเชื้อโรคครั้งเดียวมันจําได้แล้วครั้งที่สองมามันไม่ยอมให้เข้าแล้วมันเล่นงานเลยแต่ต้องเจอครั้งหนึ่งก่อนถ้าไม่เคยเจอนี่พอเจอครั้งแรกนี่เสียท่าแต่เจอครั้งที่สองนี่ไม่เสียท่าแล้วอันนี้เป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจําได้เหลวมากเจอครั้งเดียวจําได้เลยแต่ว่าสติเนี่ย มันทำอย่างนั้นไม่ได้มันต้องเจอบ่อยๆต้งเจอความโกรธเจอความพุ่งซ่านเจอความเซ็งเจอความเบือ่อต้องเจอบ่อยๆถึงจะจําได้ถามว่าเท่าไหร่ก็บอกไม่ได้สิบครั้งยี่สบครั้งหรืออาจจะเป็นร้อยครั้งก็ได้กว่าจะจําได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าเวลาเราจะจําสับเนี่ย สับต่างประเทศเนี่ยเช่นศัพ์อังกฤษศัพท์ภาษาจีนเนี่ยหรือสับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นครั้งเดียวจะจำได้นะว่ามันแปลว่าอะไรก็ต้องเห็นหลายครั้งต้องเปิดดิกเปิดพจนานุกรมหลายครั้งมีผู้รู้ด้านภาษาเป็นชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งรู้ภาษาเยอะมากใครๆก็ชมว่าเป็นคนที่หัวดีแต่อาจารย์คนนี้บอกว่า มันไม่เกี่ยวกับหัวดีหรอกมันเกี่ยวกับเรื่องความเพียรอาจารย์คนที่บอกว่าจะจำจะจำสับได้มันก็เหมือนกับตักน้ำด้วยกระชอนจากน้ำด้วยกระชอนผ้าพวกเราคงนึกออกนะกระชอนผ้าเนี่ยกะชอนสำหรับจับลูกน้ำเนี่ยก็ชอนผ้านี่กว่าจะตักน้ำให้เต็มแก้วด้นีโอ้มันใช้เวลาเยอะมากเลยใช้เวลายิ่งกว่า ช้อนชาสิจะจําศัพท์จะเรียนภาษาต่างประเทศได้นี่ต้องใช้ความเพียรต้องทํำบ่อยๆซ้ๆําๆไม่ต่างจากการตักน้ําด้วยกระชรให้เต็มแก้วนั้นสติก็เหมือนกันนะสติในการที่จะจําอารมณ์ได้นี่มันต้องเจอบ่อยๆจะเจอบ่อยๆก็ต้องยอมให้ความโกรธเกิดขึ้น โดยไม่ปฏิเสธไม่กดข่มมันคือยอมให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมันเฉยๆเห็นมันเห็นมันเห็นบ่อยๆก็จะจําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยแล้วมันมีความโกรธมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมีความเบื่อความเสแสงเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็อย่าไปเสียใจนะให้ถือว่ามันเป็นของดี <c oughs> เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่จะทําให้สติ จำได้ในที่สุดมันต้องเกิดจากการเรียนรู้หรือทำซ้ำๆเจอซ้ำๆัการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกับการทำความสงบที่หล้าใจคือถ้าเราพยายามกดข่มมันพยายามที่จะไม่ไปรับรู้อารมณ์ต่างๆ อยาะให้สงบอย่างเดียวมันก็ดีนะใจก็สบายแต่ว่าพออารมณ์เกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้ น, นก็เสียท่าเพราะว่าสติจำไม่ได้สติไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเพราะเราไม่เคยดูมันเ ร, เราเข้าไปเป็นเลย คือโดมันเล่นงานเลยนะที่ผ่านมาคนเราในชีวิตคนเราก็ยังมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็โดนความโกรธเล่นงานไปเยอะแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นความโกรธเท่าไหร่เราเป็นมากกว่านะคือเป็นผู้โกรธแต่ไม่เห็นความโกรธเพราะว่าเราไม่ค่อยดูหรือดูไม่เป็นถ้าเราไม่ทาตามความโกรธเลยเราก็ ไปกดข่มมันเอาไว้อารมณ์อื่นก็เช่นเดียวกันความเศร้าวความเบือ่อรวมทั้งความดีใจความเพลิดเพลินใจนะก็มักจะตามมันไม่เคยตั้งหลักที่จะเห็นมันเลยแต่การปฏิบัติเนี่ยเรามามาปรับจิตกันใหม่คือมาดูมันแต่ก่อนตามมันตะพืดตะพือโดนมันหลอก แต่ตอนนี้เราไม่ไม่ยอมแล้วไม่ยอมในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องไปกดข่มมันไว้ก็เพียงแต่ดูมันเห็นมันบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆก็จําได้ในที่สุดอันนี้พอมันมามันมาอีกเราจําได้แล้วพอจําได้แล้วก็ไม่เชื่อมันแล้ว ค, คล้ายๆกับมีคนที่ชอบหลอกเรา หลอกเราชวนไปชวนไปเที่ยวเราก็เชื่อให้เขาจูงมือเราไปเสร็จแล้วพอไปถึงมุมอับเขาก็ออกปืนจี้แล้วก็ขโมยกระเป๋าเงินเราไปพอเรากลับมาที่บ้าน พอลงขึ้นเข้าหมายแล้วแต่เนื่องจากความจําเราไม่ดีเราก็โดนเขาหลอกเขาก็เอาเงินเราไปอีกเจออย่างนี้หลายๆครั้งเสียท่าทุกครั้งเลยนะใช่ไหมความโกรธเนี่ยเวลาโกรธทีไรเราเสียท่ามาทุกทีอันนี้ก็ตอบได้ว่าเป็นเพราะเราจํามันไม่ได้เราไม่มีความระลึกได้ที่ไวแต่ต่อมาเรา จำได้แล้วนะเจอบ่อยๆเราจาได้แล้วก อ, อนที่เ้าจะมาหลอกเราชวนไปเที่ยวจะมาจูงมือเราเราจําได้วันแล้วลวัวนนี้โจรเราก็สะบัดมือแม่เขาจูงเขาก็จะหลอกเราไปในที่มืดแล้วก็ทำร้ายเราหรือขโมยเงินเราก็ทำไม่ได้อีก <c oughs> อารมณ์ต่างๆนี่ก็เหมือนกันนะมันทำงานคล้ายๆกันนะ่ะ คือมาหลอกมาล่อเราแต่เนื่องจากเราไม่เคยจดไม่เคยจําเลย <S <S 1> <S 1> ก็เลยเสียท่าบางทีก็เสียพูดเสียคนเนีนความจาคนเรานี่มันสั้นนะเราอาจจะดูเหมือนว่าจําอารมณ์ได้แต่จริงจไม่ค่อยได้หรอกมันมีคนบาง มีคนบางประเภทนะที่เขามีปัญหาด้านสมองอ่ะเขาความจําไม่ค่อยดีเลยความจําสั้นมากเจอหน้าคนเขาแนะนาตัวว่าเป็นใครพูดไปสักสีห้านาทีก็ลืมไปแล้วว่าคนนั้นเป็นใครมีผู้ป่วยคนก็ความจําเนี่ยไม่ดีเลยสั้นมากไปหาหมอหมอก็แนะนําตัวว่าชื่ออะไร คุยได้สักห้าทีหมอเข้าห้องน้ำกลับเข้ามาใหม่เขาจำไม่ได้ว่าเป็นใครหมอก็ต้องแนะนำตัวเขาเจอหมอคนนี้มาประมาณร้อยครั้งแต่ละมั้งแต่ไม่เคยจำได้เลยนะความจำสั้นมากอนะดีตที่ว่าเจอหมอถ้าเจอคนอื่นเจอโจรเจอผู้ร้ายนี่เสร็จเลยนะเพราะว่า ผู้รายมันหลอกเงินไปเอาเงินไปเสร็จแล้วห้านาทีแค่นั้นแหละก็หลื่มไปแล้วว่านี่เป็นผู้ร้ายถ้ามีเงินมีทองมันก็เอาไปอีกนะพวกเราก็เป็นอย่างนี้นะนนะเวลาเราเจออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เล่นงานเราทุกครั้งเพราะว่าสติเราไม่ดีเรามีความจําสั้นสตินี่ทำหน้าที่เรื่องความจํานะสติแปลว่าเราลึกได้ หน้าที่หนึ่งเขาสติคือจำได้ส่วนใหญ่เราจำได้เรื่องนอกตัวจำได้ว่าใครด่าเราเมื่อปีที่แล้วก็จำได้จำได้ว่าใครโกงเราเมื่อปีที่แล้วเราก็จำได้เราจำได้ว่าสิบปีที่แล้วเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะ <c oughs> เราจําสถานที่ได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสตินึกถึงที่ไหลก็จำได้อาจจะเพียเ้ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังพอนึกออกว่านาูปร่างนาตาเป็นยังไงเช่นเราเคยไปเขาใหญ่เคยไปตูรูเตามายี่สิบปีมาแล้วพอพูดถึงก็นึกได้ว่าตอนนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นหน้าที่ของความจํานเป็นหน้าที่ของสติแต่ว่าสติไม่ได้ทาหน้าที่เพียงแค่นี้ สติยหมายถึงความเราลึกได้เวลาเราลืมตัวเช่นเราเผลอคิดไปเผลอคิดไปก็จําได้ว่าเออเรากาลังนั่งอยู่นี่นะกลับมากําลังกินข้าวอยู่ใจลอยสักพักเราลึกขึ้นมาได้ว่ากําลังกินข้าวอยู่ก็กลับมาอยู่กับการกินข้าวสังเกตไหมเวลาเรากินข้าวเนี่ยใจมันจะลอยโน่นไปโน่นไปนี่ หรือพอมาปฏิบัติทมเนี่ยมันจะหาเรื่องคิดมากเฉพาะตอนโดยเฉพาะตอนกินข้าวเพลินอารมณ์เพลินก็มันก็ใจลอยง่ายแต่สักพักจำได้ว่าเรากลางกินข้าวอยู่กลับมาแต่กลับไม่ได้ไประเดี๋ยวเดียวไปอีกแล้วนี่นเรียกความจำสั้นนั่งอยู่ตรงนี้ฟังคำบรรยายเผลอคิดไปนึกขึ้นมาได้กลับมา อันนี้สติเป็นตัวพากลับมาเพราะเราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่อยู่ได้ไประเดี๋ยวเดียวไปอีกแล้วนะขี้ลืมนะความจำสั้นอันนี้เพราะสติไม่ดีนะแล้วเกิดขึ้นกับคนที่มีความจำในเรื่องอดีตได้สิบปีสิบปีสามสิบปีคือจำเรื่องโน้นได้เรื่องไกลตัวเรื่องนอกตัวได้แต่ว่าจา หรือว่าเรารึกได้เกี่ยวกับกายและใจนี่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จำได้ว่ากำลังนั่งอยู่ประเดี๋ยวเดียวไปแลนะแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆสติก็จะจำได้ดีขึ้นจำได้นานขึ้นแล้วก็เรารึกได้ไวขึ้นเผลอคิดไปปุ๊บกลับมาไม่ใช่แค่ความคิดเท่านั้นที่เผลอน้อยลงแต่ว่าเวลาโกรธเวลาโมโห เวลาตกใจก็ไม่นานนะแต่ก่อนนี้โกรธเป็นคุ้งเป็นแควโกรธที่เป็นนานเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นวั น, วนแต่ว่ า, วาพอมีสติรู้มันวางได้กำลังกินข้าวอยู่ <c oughs> เผื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจก็ <c oughs> ขนเคืองใจโมโหสักปั๊บจำได้ระลึกได้มีสติกลับมานะ พอ้ราลึกได้ก็คือความรู้ตัวไม่เผลอไม่ลืมตั ว, มมตวเมื่อไรก็ตามที่เราลืมตัวนั่นแสดงว่าเราไม่มีสตินะลืมตัวนี่มันมีความหมายหลายอย่างนะเช่นลืมกำพื้ของตัวที่เขาเรียกว่าลืมตัวเหมือนโวลืมตีนนี่อันนี้ก็กอันนึงนะแต่ว่าลืมตัวในที่นี้หมายถึงการ การปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอมงำจิตจนลืมไปว่ากาลังทำอะไรอยู่ไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอนาคตจะลืมปัจจุบันลืมไปว่ากาลังนั่งอยู่ลืมไปว่ากาลังฟังอยู่นี่เราลืมตัวพูดกันมาใ น, ในช่วงยี่สนาทีเนี่ยพวกเราลืมตัวไปหลายครั้งแล้วอาจจะเป็น1ิบครั้งยี่สครั้งแล้วอันนี้ก็ธรรมดา แต่ว่าที่เราจำได้พอเรากลับมาเมื่อไหร่นั่นเป็นเพราะเรามีสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนื่องการที่เรามีสติเนี่ยฝึกสติอยู่จนกระทั่งสติเราเชี่ยวชาญทำนานว่องไวเนี่ยมันช่วยได้แล้วถ้าเราไม่มีสติเราลืมตัวบ่อยเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าเป็นคนทุกข์ง่ายคนเราทุกข์นี่เพราะลืมตัวนะ คนเราทุกนี่ถ้าพูดไปแล้วก็เป็นเพราะลืมตัวไม่ใช่ลืมตัวแบบบัวลืมตีนแต่ว่าลืมตัวแบบไม่รู้ตัวจมเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำแล้วคนเราทำร้ายตัวเองก็เพราะความลืมตัวบ่อยๆทำงานการก็ไม่สำเร็จก็เพราะลืมตัวเป็นแม่ค้าอยากจะขายของ แต่พอลูกค้ามาพูดมาต่อราคามากเกินไปบอกห้าจะต่อหรือหนึ่งเนี้ยแม่ค้าก็โกรธกลัวก็ด่าเขา้าลูกค้าก็เลยไม่ซื้อเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปบอกคนหนึ่งต่อไปว่าอย่าไปซื้อร้านนี้ <c oughs> ก็กลายเป็นว่าแทนที่จะขายของได้ก็ขายไม่ได้เพราะว่าลืมตัวโกรธ เสียประโยชน์เลยทำลายประโยชน์ของตัวนะแล้วคนเราเป็นอย่างนี้บ่อยแล้วคนเราลืมตัวก็ทำอะไรได้ทุกอย่างนะที่ภูฐานเนี่ยเขามีนิทานเล่าเป็นเรื่องของอาจารย์ที่มีวิธีการสอนแปลกเป็นชาวทิเบตแต่ว่าจาริกมาภูฐาน เป็นคนที่มีชาติตระกูลดีแต่ว่าปฏิเสธที่จะไปเป็นจเจ้าอาวาสในวัดใหญ่ๆทำตัวเป็นโยคีจาลิกไปอยู่กับผู้คนอยู่กับคนยากคนจนแล้วคราวหนึ่งก็ไปไปค้างแรมในในถ้ำแห่งหนึ่งที่นั่นเขาก็ร่ำลือกันว่ามีโจร อาจารย์คนนี้ชื่อว่าลุกปะกินเล่ลุกลุกปะคุณเล่ก็เตรียมพร้อมเลยท่านเป็นคนแปลกๆแล้วก็เป็นคนที่มีอุบายที่ไม่เหมือนใครก็อยากจะสอนโจรพวกนี้ท่านก็ออกอุบายออกอุบายทําอะไรออาอุบายเพื่อจะให้โจรเนี่ยกินขี้ของท่าน ไม่ง่ายนะจะออกอุบายให้โจรกินขี้ของตัวท่านเนี่ยมันจะทำได้ยังไงท่านก็คืนนึงก็พอกค้างอยู่ในถ้ำก่อนนอนก็เอาถุงเงินเนี่ยถุงเงินเป็นถุงหนังนะก็เอาถุงเอาเงินในถุงนั้นออกแล้วก็ท่านก็ถ่ายจระลงไปในถุงนั้นแทนแล้วก็ปิดถุงเอาไว้วางาไว้ข้างตัวกลางดึก โจรมันก็มากมากันหลายคนมาเห็นถุงเงินก็คว้าถุงเงินไปแล้วก็เปิดเพื่อเจาเงินเปิดถุงเงินเสก็เอามือล้วงเข้าไปในถุงพอล้วงเข้าไปเท่านั้นแหละมันก็ลองโอ๊ยขี้แล้วก็สะบัดมือออกมาพอรวบมือติดขี้นี่ทำยงไงมันก็พอสะบัดมือเนี่ยมันก็ไปโดนหินโดนพื้น พอสบัดมือโดนพื้นก็ปวดปวดก็เลยเอามือเอานิ้วเนี่ยยัดเข้าไปในปากเพื่อจะให้มันหายปว ด, ปวดก็เลยกินขี้ของท่านสมที่ท่านวางแผนเอาไว้นี่ลวกลืมตัวนะลืมตัวปวดไงปวดแล้วแล้วก็ลังเกียจขยะขยงขี้ พอรวาขี้ติดนิ้วติดมือเนี่ยมันขยะขยงแล้วก็ความปวดด้วยก็ทำให้เอานิ้วเนี่ยยัดเข้าไปในปากนะตัวเลยได้กินขี้ของท่านนะคนเราเวลาลืมตัวแล้วก็ทำอะไรได้ทุกอย่างนะบางทีด่าตัวเองก็มีมีคนหนึ่งเนี่ยบ้านอยู่ริมถนนก็เป็นบริเวณที่ถนนเส้นนี้ก็มีพวก นักเรียนวัยรุ่นเนี่ยสองโรงเรียนเดินผ่านเป็นประจำแล้วก็เป็นธรรมดาโรงเรียนสองโรงเรียนนี้ก็มักจะเป็นอริกันเพราะฉะนั้นก็จะหาทางข่มกันวิธีข่มกนันนั้นก็คือฉีดสีฉีด ส, ส, สเปรย์ตามกำแพงปอกตออเป็นพ่อ <c oughs> กอยอรอเนี่ยอันนี้เราคงเห็นตามกรุงเทพเนี่จะมีคนฉีด ส, สเปรย์แบบนี้ ข่มกันระหว่างพวกแกงวัยรุ่นฉีดมากๆเขาเจ้าของบ้านก็ปวดหัวนะก็ต้องเอาสีมาทาใหม่พอสีมาทาก็ฉีดพ่นกันอีกเจ้าของบ้านก็ติดติดป้ายไว้บอกว่าห้ามห้ามพ่นสีมันก็ทำลายป้ายนั้นทิ้ง วันรุ่งขึ้นท่านก็เจ้าของบ้านก็เอาป้ายมาติดใหม่นะก็เปลี่ยนป้ายอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็จนกระทั่ ง, งถึงจุดหนึ่งก็เขียนป้ายว่ า, ว, าว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายนะกับผู้ที่ฉีดสีฉีดพ่นสเปรย์บนกําแพงบ้านแล้วก็เขียนข้อความด่าพ่นสเปรย์ด่าเจ้าจของบ้าน เจ้าของบ้านโกรธมากนะแล้ววันหนึ่งเจ้าของบ้านก็หิว้วกระป๋องสีมาพร้อมแปลงแล้วเขียนข้อความตัวใหญ่ๆบนกำแพงบอกว่าใครเขียนเป็นหมานะเขียนด้วยความโกรธนะแต่ใครที่เป็นที่เป็นหมาคนแรกนะ เจ้าของบ้านะเป็นหมาคนแรกนะเขียนใครเขียนเป็นหมานี่เพราะนี่เพราะว่าลืมตัวแล้วคนเราพอลืมตัวแล้วก็อยากจะด่าคนอื่นแต่กลายเป็นด่าตัวเองนะแล้วเราลองดูว่าเร า, เราลืมตัวแบบนี้บ่อยไหมนะด้วยความโกรธนะเวลวาโกรธเราอยากจะด่าคนโน้นคนนี้ด่าเขาด้วยถ้อยคำแรง แต่กลับกลายเป็นการประจานตัวเองคนไม่ค่อยสังเกตนะว่าเวลาต้องการด่าคนโน้นคนนี้เนี่ยแต่มันกลายเป็นการประจานตัวเองเพราะว่าใช้ถ้อยคาที่รุนแรงใช้ท้อยคาที่หยาบคายแลนที่พ่ะไม่มีสติแล <c oughs> สติบางทีมันทำให้คนเรานี่ยทำร้ายตัวเอยงยิ่งกว่านี้อีก ดรงหของความโกรธมีคนหนึ่งเนี่ยแกแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อาการแม่ก็หนักเรื่อยๆลูกก็มีความเป็นห่วงวันหนึ่งก็จะออกไปทุรละจากออฟฟิศก็บอกเพื่อนๆว่า ถ้ามีถ้ามีโทรศัพท์นะจากที่บ้านนี่ให้รีบบอกเลยนะให้รีบแจ้งข่าวตอนนั้นเขาไปประชุมกลัวว่าจะมีข่าวร้ายจากที่บ้านพอเขากลับมาก็มีเพื่อนคนหึงบอกว่ามีโทรศัพท์ด่วนนะจากที่บ้านมีข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับแม่ เพื่อนนี่ที่จริงไม่ใช่หรอกแต่ว่าเขาต้องการเขาล้อเพื่อนเล่นพอได้ยินเพื่อนพอนู้เช่นนี้เนี่ยแกก็ตกใจช็อกเลยนะด้วยความกังวลอาจจะเป็นเพราะว่ากังวลกับเรื่องพ่อแม่แล้วก็เครียดกับงานแกช็อกปกเส้นเลือดในสมองนี่แตกเลยนะแต่ว่าพาส่งโรงพยาบาลทัน หลังจากที่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยเพื่อนก็ไปเยี่ยม <c oughs> แล้วก็เพื่อนคนที่หยอกล้อเขาแรงๆก็ไปเยี่ยมด้วย <c oughs> ผู้ป่วยเนี่ยเขาก็รู้ความจริงแล้วว่า <c oughs> จริงๆไม่มีโทรศัพท์จับที่บ้าน <c oughs> แต่ว่าเพื่อนหลอก <c oughs> เพื่อนล้อ <c oughs> ก็มีความไม่พอใจและยิ่งตัวเองป่วยเนี่ยงานการก็เป็นนั้นว่า ที่ต้องเร่งก็เลยทำไม่ได้เมื่อเห็นหน้าเพื่อนแล้วเพื่อนคนนั้นพูดว่าทาใจสบายๆนะอย่าไปคิดมากพอได้ินเพื่อนพูดแค่นียแกโกรธปี๊ดเลยนะโกรธปีนะ๊ดเลยเพราะว่าเพราะในใจนี่ก็นึกว่าเป็นพ่อเมืงองที่ทำให้กูเป็นอย่างนี้ราะว่าคนนี้เรียกว่าช็อกอีกทีเลยนะ อาการเจียงหนักกว่าเดิมนี่เพราะความโกรธแต่แกลืมมองตัวเองว่าเป็นเพราะเราอะไม่มีสตินะแล้วก็ไปโทษเพื่อนเพื่อนก็มีส่วนอยู่แต่ว่าพอไม่มีสติเนี่ยก็ก็ช็อกง่ายแล้ยิ่งความโกรธปล่อให้ความโกรธครอบงำ เพียงคำพูดของเพื่อนซึ่งอาจจะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็ทำให้ตัวเองเนี่ยปีขึ้นมานะคราวนี้เด้งไปเลยอาการหนักรักษายากกว่าเดิมและความโกรธนี่มันทำร้ายเราได้มันไม่ใช่คำพูดของเพื่อนแต่เป็นความโกรธเป็นเพราะการที่เราวางจิตไม่เป็นคือเราไปมีปฏิกิริยากับคำพูดของเพื่อน มากเกินไปความทุกคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะแต่อยู่ที่ว่าเรามีปฏิกิริยากับมันอย่างไรอยู่ที่ว่าเราปล่อยให้มันมีอิทธิพลกับเราแค่ไหนบางอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พอเรามีปฏิกิริยากเกินเหตุเขาเรียกว่าโอเวอร์รียคมันก็ทำให้เป็นอันตรายได้ มีความเจ็บป่วยหลายอย่างในร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากชื่อโรคจริงๆนะแต่มันเกิดจากปู่มคุ้มกัน ร, ร่างกายเราเนี่ยมันมันมีปฏิกิริยาเกินเหตุอย่างเช่นโรคพวกโรคซาไข้หวัดนกหรือว่าโรคหลายๆอย่างแม้กระทั่งโรคหวัดที่มันเป็นข่าวเมื่อ เมื่อหลายปีก่อน h 5 n ชา n อชาเนหนึ่งนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากเชื้อจริงๆแต่เกิดจากปฏิกิริยาในร่างกายเกิดจะภูมิคุ้มกันในร่างกายมันมันตื่นตะหนกตกใจมากอย่างคนที่เป็นโรคซาเนี่ยเวลา ผาศพเนี่ยที่ตายแล้วผาศพเนี่ยปรากฏว่าปอดเนี่ยมันเละเป็นบุ้นเลยเลือดโชกเลยปอดนี่เสียไปเลยของเหลวท่วมปอดรวมทั้งเลือดด้วยอะไรทําลายปอดไม่ใช่เชือ้อเชื้อหวัดนะไม่ใช่เชื้อซาแต่เป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มันตื่นตกใจมากมันอยากจะไปทําลายหวัดมันอยากจะไปทําลายเชื้อซา หรือพวกปัดนกมันเห็นพวกเชื้อพุทีิซ่อนอยู่ที่ไหนมันก็เข้าไปทำลายแต่ก็ไปทำลายเนื้อเยื่อด้วยมันเหมือนกับเปรียบไปก็เหมือนกับโจรเรียกค่าไท่นะเอาเด็กไปเรียกค่าไท่แล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านตำรวจทหารก็ยกทัพกันเข้าไปจะไปจับแต่ไม่ใช่จับแตจะไปทำลายโจรป้น เรียกฆ่าไทยมันก็เอาเราเบิดเอา 79, เอ็มเ9เกอาปืนถล่มเข้าไปหมายจะทำลายโจรทำลายโจรแต่ปรากฏว่าบ้านก็พังส่วนเด็กหรือตัวประกันก็ตายด้วยอันนี้เรียกว่าทำเกินเหตุให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเวลามันทำงานเกินเหตุก็อันตรายนะโรคบางโรคเช่นโรคพุ่มพวงนี่ก็เหมือนกันมัน มันทําลายร่างกายตัวเองหรือว่าโรคแพ้แพ้นวนแพ้นี่บางทีแพ้แลองเกรสรก็เพราะมันทํางานเกินเหตุเลยลองเกรสร น, นี่ไม่มีอันตรายอะไรเท่าไหร่หรือว่าฝุ่นก็ไม่มีอันตรายแต่พอมันเข้าไปในร่างกายมันตื่นตกใจมันก็เข้าไประดมเล่นงานแต่ปรกากฏ ว, ว่าลูกอวัยวะของเราก็โดนลูกลงไปด้วยป่วยเป็นไข้นะ บางทีก็ถึงตายอย่างโลกสาคนที่เป็นต้นนั่นใจที่มันตื่นตหนกมากนี่น่ากลัวใจเราตั้งหาที่มันทําร้ายตัวเองทําร้ายเราไม่ใช่คําพูดของใครไม่ใช่การกระทําของใครอันนี้เพรานั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไม่รู้จักดูใจของเราไม่มีสติเนี่ยตื่นตหนกหรือว่าโกรธง่ายเนี่ยเราทําร้ายตัวเอง แล้วที่จริงเราก็ทำร้ายตัวเองบ่อยคำพูดของคนมันก็ผ่านไปเป็นวันเป็นอาทิตย์แล้วแต่เรายังเก็บออกมาทิมแทงทำร้ายจิตใจเรานี่เพราะไม่มีสติมันก็เลยขวนกลับมาทำร้ายเรางั้นถ้าเราเพียงแต่เรามีสติเนี่ยการทำร้ายตัวเองก็จะน้อยลงเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้น ฉันก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราได้ฝึกสติกันมากๆนะเพื่อชีวิตที่ผาสุขที่โปร่งเบาอัลเก็พูดกันท่อนนี้